ฉตุปาหาวักวักว่าด้วยร่มแล้วรองเท้าสิกขาบทที่หนึ่งฉัตตุปาหาวัคปราจิตติยกันห้ามใช้ร่มใช้รองเท้าเว้นแต่จะไม่สบายสมัยนั้นนางภิกษุณีพวกหกใช้ร่มใช้รองเท้ามนุษย์ทั้งหลายติดเตียนว่าใช้ของเหมือนคฤรืหัดผู้บริโภคกามพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีใช้ร่มใช้รองเท้าต้องปาจิตติภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมอนุญาตให้ใช้ได้ถ้าเป็นไข้หรือไม่ใช้แล้วจะไม่สบายสิกขาบทที่สองัตตูปาหนวัคปาจิตติยากันห้ามไปด้วยยานเว้นแต่ไม่สบาย นางภิกษุณีพวกหกไปด้วยยานมนุษย์ทั้งหลายติดเตือนว่าทำเหมือนเขาฤหัสผู้บริโภคกามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีไปด้วยยานต้องป่าจิตตีภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมอนุญาตให้ไปด้วยยานได้ถ้าเป็นไข้สำหรับคำว่ายานหมายถึงพาหนะต่างเช่นรถเกวียนเรือ หมายเหตุทั้งสองสิกขาบทนี้เห็นได้ว่าเพื่อไม่ให้ถูกติว่าเรียนแบบเคารพหัดเป็นการบัญญัติ ต, ตามกาลเทศะและสิ่งแวดล้อมตกมาถึงสมัยนี้ความรังเกียจคงเปลี่ยนแปลงไปสิกขาบทเหล่านี้จึงคงอยู่ในประเทศที่ทรงอนุ ญ, ญาตไว้ก่อนปรินิพานว่าถ้าจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสีย ก, ก็ถอนได้เป็นการเปิดทางให้กาลเทศะแต่พระสาวกสมัยสังขยานาเห็นว่า ถ้าปล่อยให้ถอนกันตามชอบใจจะยุ่งกันใหญ่คืออาจจะไปถอนสิกขาบทที่สำคัญเข้าแต่เห็นเป็นไม่สำคัญฉะนั้นท่านจึงสวดประกาศห้ามถอนเป็นการใช้อำนาจสงสั่งการเช่นนั้นสิกขาบทที่สามฉัตตูปาหนวักปาจิตติยากันห้ามใช้ผ้าอยากรัง นางภิกษุณีถูกสกุลที่ตนเข้าไปฉันขอร้องให้นำผ้าสังฆานีไปมอบให้สตรีอีกคนหนึ่งนางภิกษุณีนั้นคิดว่าจะใส่บาตรนำไปก็เกรงหน้าเกลียดจึงนุ่งไปในขณะที่ไปในถนนได้ขาดผ้าจึงหลุดลงมาเรียราดถูกตำหนิว่าใช้ผ้านุ่งเหมือนครือหัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญาศิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตี เกียนางภิกษุณีผู้ใช้ผ้าสังคานีสำหรับผ้าสังคานีคือผ้าแคบแต่ยาวพอนุ่งปิดสะโพกได้เมื่อนุ่งแล้วจะดูเป็นนุ่งผ้าอยักรั้งส่วนอัฐกถาแสดงว่ามีลักษณะเป็นตาข่ายร้อยดอกไม้ได้หลุดดอกไม้หล่นกระจายจึงน่าจะเป็นเครื่องประดับสเสเ่ล ชัตุปหานวักป่าจิตติยากันห้ามใช้เครื่องประดับกายสำหรับหญิงนางภิกษุณีพวกหกใช้เครื่องประดับกายสำหรับหญิงคือเครื่องประดับศีรษะคอมือเท้าและเสะเอลมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีใช้เครื่องประดับกายสำหรับหญิงต้องปาจิตติ สิกขาบทที่ห้าจตุปานวรักปาจิตติยกันห้ามอาบน้ำหอมและน้ำมีสีนางภิกษุณีพวกหกอาบน้ำด้วยน้ำหอมและน้ำมีสีในที่นี้หมายถึงน้ำที่อาจใช้ย้อมกายได้มีผู้ติดเตียนว่าทำอย่างคฤ้อหัดผู้บริโภคกามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีอาบน้ำด้วยน้ำหอม และน้ำมีสีต้องปาจิตตีสิกขาบทที่หชฉัตรูปรานวักปาจิตติยะกันห้ามอาบน้ำด้วยแป้งงาอกนางพิกษุณีพวกหกอาบน้ำด้วยแป้งที่ทำด้วยงาอกกลิ่นมีผู้ติเตียนว่าทำอย่างขรืหัสผู้บริโภคการรมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีอาบน้ำด้วยแป้งงาอบกลิ่นต้องปาจิตตีสิกขาบทที่เจฉตรุปหาหนวักปาจิตติยกันห้ามให้นางภิกษุณีทานน้ำมันหรือนวดสมัยนั้นนางภิกษุณีให้นางภิกษุณีด้วยกันทานน้ำมันบ้างนวดบ้าง มีผู้ติดเตียนว่าทำเหมือนเคฤรหัสผู้บริโภคกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีให้นางภิกษุณีทาน้ำมันหรือนวดต้องปาจิตติสิกขาบทที่แปดเก้าและสิบัตตุปหานวักปาจิตติยากันห้ามให้ผู้อื่นทานน้ำมันหรือนวด สิกขาบททั้งสามนี้ก็เหมือนกับสิกขาบทที่เจต่างแต่ผู้ทานน้ามันและนวดในสิกขาบทที่8เป็นนาสิกขามานาสิกขาบทที่เกเป็นสมเนรีสิกขาบทที่สิบเป็นขีหินีคือสตรีผู้เป็นกฤรืหัดสิกขาบทที่สิบเอตุปหานวักปาจิตตียากันห้ามนั่งหน้าภิกษุโดยไม่บอกก่อน สมัยนั้นนางภิกษุณีทั้งหลายไม่อาปุจฉาซึ่งตามสทบแลวว่าถามโดยเอื้อเฟื้อโดยความคือขอโอกาสหรือขออนุญาตนั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุมีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีไม่อาปุจฉานั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุต้องปาจิตตี สิกขาบทที่สิบองฉัตุปหานวัตปาจิตติยากันห้ามถามปัญหาภิกษุโดยไม่ขอโอกาสสมัยนั้นนางภิกษุณีถามปัญหาภิกษุผู้ที่ตนไม่ได้ขอโอกาสมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีถามปัญหาภิกษุที่ตนไม่ได้ขอโอกาสต้องปาจิตติ สำหรับเรื่องนี้เป็นระเบียบเรื่องความเคารพสิกขาบทที่13ฉัตตูปหานนวักปาจิตติยะกันห้ามเข้าบ้านโดยไม่ใช้ผ้ารัดหรือผ้าโอบนางภิกษุณีเข้าบ้านไม่มีผ้าสังกัติยะคือผ้ารัดหรือโอบที่ใช้ปิดตั้งแต่หลุมคอลงไปและตั้งแต่สะดือขึ้นมามนุษย์พากันแกล้งชมโฉมต่างๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านาภิกษุณีไม่ใช้ผ้าสังกัตชียะคือผ้ารัดหรือผ้าโอบเข้าบ้านกำหนดตั้งแต่เขตรัวเข้าไปต้องปาจิตตีหมายเหตุปาจิตตีของนางภิกษุณีทั้งหมดมี166รแต่แสดงไว้ในภิกุณีวิพังนี้เพียง96สิกขาบทแบ่งเป็น9ก้าวรัก 7วักแรกมีวักละ10สิกขาบทสองวักหลังมีวักละ13สิกขาบทและได้นำปาจิตตีของภิกษุมาใช้70สิกขาบทคือปาจิตตีของภิกษุมี90สิกขาบทนำออกซะ22สิกขาบทเฉพาะที่ไม่จำเป็นสำหรับนามภิกษุณี